นวันก่อนนี้ได้พูดถึงยานที่สองก็คือปัจยปายายปจยะปริกหายานใช่ไหมปัจจยะปริกหายานปัจจยะปริฆหายานปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามซึ่งการเกิดขึ้นของรูปของนามนั้นในการที่เราจะสังเกต ให้เห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามนั้นพระเจ้าท่านก็ บ, บอกไว้แล้วว่าทั้งรูปทั้งนามเนี่ยอาศัยเป็นปัใจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันตามปกติสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกการที่มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมาถึงจะเกิดขึ้นได้ ทีนี้เหตุปัจจัยที่จะให้เกิดรูปเกิดนามนั้นพระองค์ท่านตรัสว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดหรือถ้าจะพูดให้ลึกไปนิดหนึ่งท่านใช้คำว่าอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างกอเป็นปัจจัยให้เกิดขอขอเป็นปัจจัยให้เกิดกอเป็นวงกลมอย่างนี้เป็นปัจจัยเขาเรียกว่าอัญมั์จะปัจจัยเพราะนั้นในการเกิดขึ้นของรูปของนามนามรูปเองนั่นแหละเป็นปัใจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าไม่มีอะไรเป็นมาเป็นปัใจจัยให้เกิดนามกับรูปนอกจากรูปกับนามเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน เป็นอัญมั์ยปัจจัยสแสดงให้เห็นว่าประการที่หนึ่งสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ฟ้าดินโดนบันดาลไม่ใช่ใครโดนบันดาลให้เกิดเขาเองทั้งคู่ของเขาแหละคือรูปกับนามนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูป ทันทีที่สีมากระทบตาวิญญาณทำงานทันทีใช่ไหมใจรู้ใจรู้ทันทีว่าเห็นใช่ไหมนี่แสดงว่ารูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปก็เพราะว่านามเห็นมันถึงจะรูปนี้ถึงจะปรากฏให้รู้ได้ เพราะนามมันเห็นไอ้รูปนี้จึงปรากฏให้รู้ได้ถ้านามไม่เห็นไอ้รูปนี้จะปรากฏให้รู้ได้ไหมคนตายมีสีมากระทบตาเหมือนกันแต่ถามว่าคนตายเห็นรูปไหมไม่เห็นเพราะไม่มีนามเพราะนี่หละคือรูปอาศัยนามนามอาศัยรูป อาศัยซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นอย่าลืมรูปและนามนี้ต้องหมายถึงรูปนามในขันห้านะรูปนามในขันห้าครั้งแรกพอสีมากระทบตาใจรู้ว่าเห็นทันทีรู้ว่าเห็นแล้วนั่นเพราะแสดงว่ารูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามถ้าไม่มีรูปอันนี้มานามอันนี้ก็ไม่เกิด นามเห็นก็ไม่เกิดพอนามเห็นรูปนี้ปรากฏขึ้นรูปนี้ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นก็เพราะว่านามเป็นปัจจัยมันเห็นรูปนี้จึงจะปรากฏขึ้นนิยมต้องไปพิจารณานิดหนึ่งนะโยมนะมันละเอียดมันละเอียดหน่อยมันละเอียดหน่อยโยมต้องไปนั่งพิจารณาดูค่อยๆฉายหนังช า, ชาชพิจารณาดู สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดอยู่ที่เราตีความอย่างไรทําความเข้าใจอย่างไรที่จะไปทาความเข้าใจถ้าอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะดูการเกิดขึ้นของรูปของนามได้ใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเหตุอย่างนี้แล้วเราก็สามารถพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปเห็น ความเกิดของรูปของนามได้เอา้าย้อนกลับเข้ามารูปนามของลมหายใจทันทีที่ลมหายใจมาประทะที่ปลายจมูกจิตรู้ทันทีว่าลมหายใจเข้าเริ่มนั้นนามนามรู้นามรู้ว่าลมหายใจเข้าออกเกิดขึ้นแล้วใช่หมแล้วขณะเดียวกันก็เห็นรูป เห็นรูปมันเกิดขึ้นผ่านปลายจมูกผ่านลำคอผ่านมาสุดที่นี่นั่นนั่นรูปก็เกิดขึ้นนามก็เกิดขึ้นนามเกิดขึ้นจากการที่รูปเป็นปัจจัยแล้วรูปลมที่รู้ว่าเป็นลมกำลังเข้ามานี้ก็เกิดจากนามเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเองท่านเรียกว่าอัญมั์ยัปัจจัยเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกัน ให้เกิดไม่ใช่ใครมาทำให้เกิดไม่ใช่ใครมาทำให้เกิดรูปนามเขาเองเขาทำให้เกิดเพราะฉะนั้นจากหลักอันนี้เราสามารถสังเกตเข้าไปรู้การเกิดขึ้นของรูปของนามได้ใช่ไหมทางเสียงก็เช่นเดียวกันทันทีที่มีเสียงมากระทบหู จิตรู้ว่าได้ยินพอจิตรู้ได้ยินนี่แสดงว่าเสียงนั้นเป็นรูปได้ยินเป็นนามเพราะฉะนั้นรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามขณะเดียวกันรู้ว่ามีเสียงเข้ามาเป็นเสียงอะไรเข้ามาก็รู้ได้จากนามเป็นปัจจัยนามที่ได้ยินเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นนี่แหละจิงจิงกล่าวว่าเป็นปัจจัย ซึ่งการรายกาันโดยอาศัยการซึ่งกันรายการเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละก็ขอให้เราก็ต้องฝึกดูต้องฝึกให้เห็นให้เข้าไปยังรู้ยังเห็นการเกิดของรูปของนามได้เอาเชิพอดีมีตุลาเอาไปไปไปโอเคนี่เราต้องพยายามเห็นไหมเอาสติและจิต เฝ้าจ้องจับอยู่กับรูปกับนามลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนอ๋ออันนี้เป็นนาม ะ, ะไปเป็นข้ออ่ออา่นี่นทีนี้ข้อปัจจะการเกิดนี่แะทีนี้อาตจะมามีข้อปฏิบัติอย่างไรงจากข้อสัง่ง จะจะเอนที้ขาขอหน้านี้เอาขอไปอันนี้ภาคปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเพื่อให้เกิดวิปัญนายานที่สองให้เกิดวิปัญญายานที่สองปฏิยปริกหายานยานอย่างรู้การเห็นการเกิดขึ้นอของรูปและของนามทำความเข้าใจหลักการอันนี้ให้ดีเราจะทิ้งหลักการอันนี้หลักการที่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันและกันอันนี้เป็นปัจจัย เป็นหลักการอันนี้ต้องถือว่าเป็นหลักการอันนี้เอาสติและจิตจ้องจับอยู่ที่ปลายจมูกทันทีที่รูปร่มหายใจเข้าประทักที่ปลายจมูกแล้วนี่นะมีความรู้สึกว่าขณะนี้มีลมหายใจเข้านั่นแปลว่านามลมหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วจากรูปเป็นปัจจัยสังเกตรเราจะรู้ได้ันทีว่านามเกิดขึ้นแล้วนามเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการที่รูปเป็นปัจจัยแล้วกนาเดียวกันเรารู้เราปรากฏว่ารูปรมให้ใจเข้าออกเนี่ยเรารู้เหตุที่เรารู้ก็เพราะว่าเรารู้ว่ารูปมันเกิดขึ้นก็เพราะว่านามนามมันบอกก็นามนั่นเป็นปัจจัยนามมันนั้นเป็นปัจจัย เพราะฉะนั้นนี่แหละการเฝ้าเราต้องใช้เวลาเฝ้าเพียรเพ่งพิจารณาดูคอยจับให้ได้ทันทีที่ลมหายใจประทะลมหายใจเข้าประทะที่ปลายจมูกเนี่ยนามมันเกิดขึ้นนามรู้มันเกิดขึ้นนี่การเกิดขึ้นของนาม ขณะเดียวกันรูปมันเกิดขึ้นจากการที่นามมันรู้นามมันเป็นตัวบอกนามตัวนั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รู้ว่ารูปมันเกิดขึ้นนี่มันละเอียดอย่างนี้นะโยมนะเพรนั่นนี่แหละต้องพยายามเฝ้าดูสังเกตดูลองหายใจแรงๆหายใจอย่างช้าๆ นี่แหะเรากําลังจะเข้าไปเฝ้าเพ่งดูลมหายใจเข้าออกทั้งรูปทั้งนามขันห้าที่มันเกิดจากลมหายใจเข้าออกประการที่สองนี่แหละคือประการที่สองนี้คือเฝ้าดูเพื่อให้เห็นการเกิดขึ้นของรูปของนามในยานที่สองเรียกว่าปัจจยะปริกหายาน ยานที่1เราแยกรูปหยักนามแล้วยานที่สองท่านให้เราเฟ่งดูเพ่งดูการเกิดขึ้นของรูปแระของนาำ อ, าอ้าวยานที่สามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดเปลือกไข่สงสารจะในนั้นยานที่สมนี้ท่านให้เราเพียนเพ่งดูการดับไปของรูปของน้ำ ให้เราเพียนเพ่งดูการดับไปของรูปข้างน้ำโดยใช้หลักการของอะไรใช้หลักการว่าตามปกติน้ำใหม่จะเกิดขึ้นได้น้ำเก่าต้องดับเพราะนั้นทันทีที่เราเห็นน้ำใหม่เกิดขึ้นรูปใหม่เกิดขึ้นแสดงว่านามเก่ารูปเก่าดับใช่ไหมเพราะมันจะเกิดซ้อนกันไม่ได้ มันจะเกิดซ้อนกันไม่ได้อันใหม่เกิดขึ้นอันเก่าต้องดับสนิทก่อนอันเก่าต้องดับสนิทก่อนโยมเข้าใจไหมฉะนั้นในการที่จะเฝ้าดูการดับไปของรูปของนามก็มดูที่รูปนามใหม่เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของรูปของนามก็คือจากยานที่สองสังเกตจากยานที่สอง เพราะนั้นอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเพื่อให้เกิดวิปัสนาญาณที่สามสัมมสนญาณคือการเข้าไปอย่างรู้อย่างเห็นการดับไปของรูปของนาม การเข้าไปอย่างรู้อย่างเห็นการดับไปของรูปของนามต้องตั้งหลักอันนี้ต้องเอาหลักอันนี้ไว้ก่อนหลักของมันก็คือเมื่อรูปใหม่นามใหม่เกิดรูปเก่านามเก่าดับต้องดับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น รูปนามใหม่เกิดนั่นก็คือเราเห็นรูปนามเก่าดับไปด้วยใช่ไหมยโยมจุดเดียวกันใช่ไหมถ้าเห็นรูปนามใหม่เกิดรูปนามเก่าต้องดับหรือเห็นรูปนามเก่าดับรูปนามใหม่เกิดเพราะนั้นคือมันจุดเดียวกันใช่ไหมยโยมจุดเดียวกัน เพราะนั้นอันนี้ต้องพยายามเอาสติและจิตเข้าไปจ้องจับจ้องจับถุงลมช่องท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วทันทีที่รูปลมหายใจออกรูปใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมมัดจ้องอยู่ที่จับที่ถุงลมที่นี่ทันทีที่รูปใหม่คือลมหายใจออกเริ่มออกคือรูปใหม่เกิดใช่ไหมทันทีที่ลมหายใจเริ่มออกรูปใหม่เกิด เมื่อเห็นรูปใหม่เกิดรูปเก่าต้องดับรูปเก่าคือลมหายใจเข้าดับแล้วรูปใหม่ลมหายใจออกจึงจะเกิดขึ้นได้หรือมาสังเกตที่ปลายจมูกมาสังเกตที่ปลายจมูกลมหายใจออกที่ปลายจมูกฮะอันนี้อ๋อเอออันนี้ ที่ปลายจมูกพอเห็นพอเราเห็นรูปน้ำใหม่คือลมหายใจเข้าใช่ไหมลมหายใจเข้านี่เป็นรูปน้ำใหม่ใช่ไที่ปลายจมูกพอรูปน้ำใหม่เข้านี่รูปน้ำเก่าที่ลมหายใจออกต้องสุดต้องจบต้องดับมันคนละทีโยมคนละเวลาแต่ มันคือตอนนี้อาตมาอยากจะพูดในเรื่องในรายละเอียดของ ทางด้านวิปัสนาจะ <c oughs> พูดถึงรายละเอียดทางด้านวิปัสนายกเพราะยังไงก็ตามในการปฏิบัติภาวนาของเรานั้นนะจะต้องให้ถึงทางด้านภาควิปัสนาถึงจะสามารถดับทุกข์ได้คุณโยมนั้นตามปกติเมื่อเราได้ กระทำในทางผ้าสมถะภาวนามาพอสมควรแล้วเนี่ยอาตมาก็ได้พูดมาพอสมควร้วทางด้านสมถะคุณโยมก็ต้องพยายามไปปฏิบัติให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิให้ดีให้ได้แล้วเราถึงจะพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทางด้านภาควิปัสสนาในเรื่องของ ทางภาควิปัสสนานั้นก็อยากจะให้ญาติโยมมาเข้าใจทางด้านวิปัสนาญาณเป็นปัญญาเป็นภาคปัญญาโยมจะได้รู้ว่าปัญญาอย่างไรปัญญาทางด้านไหนที่ถูกต้องปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าปัญญากว้างขวาง จนเลยขอบเขตไปต้องเป็นปัญญาเฉพาะทางด้านนี้ที่จะสามารถที่จะดับทุกได้โยมจะได้รู้จะได้รู้ปัญญาในทางที่เราจะไปดับทุกเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิปัสสนาญาณเนี่ยโยมถ้าจะความหมายอาตมาอยากจะให้โยมเข้าใจความหมายก่อน มันเป็นกับปัญญาการอย่างรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาการอย่างรู้แจ้งเห็นจริงคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงนั้นมาจากคำว่ายานทัศนะ์ยานทัศนะ์ยานแปลว่ารู้ทัศน์แปลว่าเห็น ในภาควิปัสสนานี่จะไปรู้อย่างเดียวโดยไม่เห็นไม่ได้หรือจะไปเห็นอย่างเดียวไม่รู้ไม่ได้พระเจ้าท่านใช้คําว่าญาณทัศนะเลยญาณทัศนะคือต้องรู้ต้องทั้งรู้ทั้งเห็นและรู้เห็นในเรื่องอะไร รู้เห็นในเรื่องของกองสังขารรู้เห็นในเรื่องของกองสังขารอะไรคือกองสังขารสัพพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดไม่ว่าจะมีชีวิตก็าตามหรือไม่มีชีวิตก็าตามนั่นกองสังขารสัพพสิ่งทั้งหลายทั้งหมด ทั้งที่มีชีวิตแหละไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งนั่นหมายความว่าธรรมะทั้งหลายที่อยู่ในฝ่ายสังขารธรรมใช่ไหมโยมธรรมะแบ่งออกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายใช่ไหมนึกออกไหมนึกภาพออกไหมฝ่ายหนึ่งคือสังขารธรรมอีกฝ่ายหนึ่งคือวิสังขารธรรม นั่นคือเราต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารคือในฝ่ายสังขารคือในสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งทั้งหมดทําไมต้องมารู้อันนี้ทําไมต้องมารู้อันนี้ก็เพราะว่าอาจารย์โยก็เพราะว่าในขณะนี้น่ะเราไปยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่เป็นสังขารใช่ไหมยโยมเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นการปรุงแต่งสิ่งที่การปรุงแต่งก็คืออะไรสิ่งสมมติใช่ไหมยโยมเราไปยึดติดในสมมติไล่ตัวยึดติดในสมมติตัวนี้คือตัวทุกข์ใช่ไหมคุณโยมตัวที่เราไปยึดติดในสิ่งที่เป็นสมมติในสิ่งที่เป็นสังขารธรรมสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่ง เพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เราเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งนี้ว่าโอ้ลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งนี้นะ่ะหรือว่ากองสังขารนี้นะ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นจริงอย่างนี้นะั่นน่ะเราควรไหมที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นสังขารนี้ในขณะนี้เนื่องจากว่าเราไม่รู้จริงเราไม่รู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งที่เป็นสังขารในกองสังขารเราจรึงไปเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราจรึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่พระเจ้าให้เราเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เมื่อเราเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นสังขารอันนี้แล้วนั่นะเราจะได้เกิดการเบื่อหน่ายว่าโอ้เราเพิ่งไปเข้าไปรู้ความจริงเมื่อก่อนเราไม่รู้ความจริง เราก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันบัดนี้เราเข้าไปรู้ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่น่าที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเมื่อ tôi, เราเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการเบื่อหน่ายก็เกิดความละคลายความยึดมั่นทันทีที่เกิดความละคลายความยึดมั่นทุกข์ก็ดับนี่ตรงนี้นะโยมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิปัสสนาญาณหมายถึงปัญญาการอย่างรู้แจง้งเห็นจริง ในกองสังขารทั้งหลายที่ต้องให้เกิดขึ้นในภาควิปัสสนาภาวนานี่แหละในการทำวิปัสสนาภาวนาของเรานั้นจะต้องให้เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นสังในกองสังขารทั้งหลายนี่ความหมายในภาควิปัสสนาเพื่ออะไรก็เพื่อเข้าสู่ความดับทุกข์เพื่อเข้าไปสู่ความดับทุกข์ เพราะฉะนั้นนี่ในภาควิปัสนาเราจะต้องให้มันเกิดวิปัสนาญาณซึ่งตามปกติวิปัสนาญาณ น, นั้นนะบางแห่งก็ว่าไว้16 16กนี่ละเอียดเลยบางแห่งก็ว่าไว้12บางแห่งก็ว่าไว้9แต่ก็คืออันเดียวกันน่ะคืออันเดียวกันแต่โดยละเอียดแล้วก็คือ16เลย16เลยนี่ประการหนึ่งความหมายโยมต้องเข้าใจความหมาย ในภาควิปัสนาภาวนาต้องเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ถึงจะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาของเราจะต้องให้ถึงขั้นที่สองคือขั้นวิปัสนาภาวนาจะอยู่แค่สมถภาวนาให้จิตเกิดความสงบนั้นยังไม่ได้ยังดับทุกข์ไม่ได้และอรรมาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามถึงไหมว่าจิตเรายังไม่สงบถึงขั้นสูงสุด ในภาคสมาธิเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิทุกครั้งเราก็พิจร า, า, า, ญญาจรณาทางด้านปัญญาฝึกพิจารณาทางด้านปัญญาขั้นต้นๆไปบ้างใช่ไหมคุณโยมเพื่อให้จิตของเรามันรู้จักการเดินจิตทางด้านปัญญาบ้างมิฉะนั้นแล้วถ้าเราเอาแต่สมาธิอย่างเดียวแล้วก็ไม่หัดเดินปัญญาในที่สุดจิตมัน จะไปติดสมาธิเพราะอะไรเพราะสมาธิมันสุกสมาธิมันสุกจดจําได้ไหมแตมาให้ฝึกเดินปัญญาอย่างน้อยที่สุดพิจารณาดูสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันใช่สัตว์มันใช่บุคคลจริงหรือเปล่าโดยประมาทแล้วมันใช่สัตว์ใช่บุคคลจริงหรือเปล่ามันที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นเป็นโดยสมมุติใช่ไหมนั่น มันคือให้หัดเดินปัญญาอย่างนั้นหัดพิจารณาอยู่บ่อยๆในขณะนี้นะจิตรเราไปติดในสมมติคือว่านี้มันเป็นสัตว์เป็นบุคคลขั้นที่สองให้พิจารณาว่ามันเป็นเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่ามีตั ว, ม, ตวมีตนหรือเปล่าพระุทธเจ้าให้เราพิจารณาอะไรให้เห็นว่านี้มันไม่ใช่ตั ว, ต ว, ตวไม่ใช่ตน ท่านให้พิจารณาเราให้พิจารณาต้นกล้วยใช่ไหมต้นกล้วยเพราะนั้นอนชีวิตนี้ขันห้าก็ดีหรือถ้าทั้งสี่นี้ก็ดีมันเหมือนกับกาบกล้วยใช่ไหมเพนั้นท่านใเราเราพริจารณาลอกออกทีละ ก, า บ, ละกาบทีละกาบที่แล้วสุดท้ายมันเหลืออะไรสุดท้ายมันเหลืออะไรนั่นมันไม่มีตัวไม่มีตน เราประการสุดท้ายก็ให้พิจรารณาดูที่ว่าที่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรานะ่ะหรือเป็นของเขาเนะ่ะมันใช่หรือเปล่าก็ให้พิจารณาพระเจ้าพิจารณาอะไรให้พิจารณาความเป็นอนัตตาใช่ไหมความเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้ถ้ามันเป็นตัวตนของเราเราต้องบังคับบัญชามันได้หรือเป็นตัวตนของใครใครใครๆก็ต้องไปบังคับบัญชา มันได้ใช่ไหมนี่มันบังคับบรรชาไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวตนของใครๆน่ะมันว่างจากตัวตนว่างจากเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นนั่นก็พิจารณาหัดพิจารณาเดินทางด้านปัญญาทีนี้ในเรื่องของวิปัชนายา น, นี่ก็คืออย่างข้อที่หนึ่งพระองค์ตรัสว่านามรูปะปริเฉษญา นามรูปะปริเฉทญาปัญญาการอย่างรู้การแยกรูปแยกนามได้เพราะนั้นในขั้นต้ น, นต้องพยายามแยกรูปแยกนามให้ได้อะไรคือรูปอะไรคือนามก่อนอื่นก็ควรจะรู้ความหมายของคำว่ารูปว่านามความหมายของคำว่านาม นามนั้นนะ่ะคือธาตรู้หรือสภาพรู้ส่วนรูปนั้นรู้อะไรไม่ได้นี่ลองโยมลองนึกวาดภาพภาพลักษณ์ดูให้ดีถามว่าธาตุนามธาตรู้นะ่ะรู้อย่างไรประการที่หนึ่งรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยิน รู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าได้รสรู้ว่าได้สัมผัสถูกต้องนี่ความรู้สึกรู้รู้ว่าเห็นรูปอะไรรู้ว่าได้ยินเสียงอะไรรู้ว่าได้กลิ่นอะไรรู้ว่าได้รสอะไรเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรรู้ว่าสัมผัสอะไรถ้ารู้อย่างนี้นี่เรียกนามประการที่หนึ่ง คือรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าได้รสรู้ว่าได้สัมผัสถูกต้องนี่นามชนิดที่หนึ่งนามชนิดที่สองรู้ว่าสบายหรือไม่สบายอันนี้ต้องเกิดจากความรู้สึกใช่ไหมคุณโยมรู้ว่าสบายหรือไม่สบายนี่เป็นนามรู้สุกรู้ทุกนั่นเองนี่เป็นนาม ความรู้สึกความรู้สึกประการที่สามรู้ว่าจําได้หรือจําไม่ได้มีความรู้สึกว่าจําได้หรือจําไม่ได้มีความรู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนหรือว่าเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยได้ยินมาเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นนามและสุดท้ายก็คือ รู้สึกยินดีรู้สึกยินร้ายรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจ <N h ati> นี่เหล่านี้เป็นนามทั้งหมดคุณโยมเหล่านี้เป็นนามทั้งหมดมส่วนรูปนั้นรู้อะไรไม่ได้เลยรูปมีอะไรบ้างประการแรกก็คืออาการสามสิบสองนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถามว่ามันรู้อะไรได้ไหม มันรู้อะไรมันได้ไหมถ้ารู้อะไรได้คนตายก็รู้ได้หมดคนตายก็มีผมคนและปันหนังเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นนี่คืออาการสามิบสองนี่นะ่ะรู้อะไรไม่ได้เลยนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมดคุณโยมสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมดนี่แยกรูปแยกนามอย่างนี้ให้ได้ให้ชัดเจนเลยส่วนสิ่งที่มากระทบทางใจนั้นน่ะ บางอย่างเป็นรูปบางอย่างเป็นนามที่เรียกว่าธรร ม, ร ม, รร ม, มารมเนี่ยธรมารมสิ่งคือสิ่งที่มันกระทบทางใจเนี่ยบางอย่างเป็นรูปบางอย่างเป็นนามถ้าเราคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงรถคิดไปถึงอะไรก็ต่างพวกเนี้ยทรัพสมบัติต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นรูป ธรรมารมมั น, นั้นเป็นรูปคือสิ่งที่มากระทบทางใจอันนั้นเป็นรูปถ้าเราไปนึกถึงวัตถุต่างๆเราคิดไปถึงวัตถุต่างๆธรรมารมมันนั้นเป็นรูปส่วนถ้าเราคิดไปถึง